นี่คือรายการทมและทัศนาชีวิตผมวสินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้พูดถึงทัศนะของจาราวาในเรื่องวัตถุนิยมคือเห็นว่าความเพลิดเพลินเป็นจุดม่งหมายสูงสุดของชีวิตแล้วก็จาราวาเห็นว่าความสุขนั้น แม้จะยังครุกคราวอยู่ด้วยความทุกข์แต่มันก็เป็นสิ่งดีงามประการเดียวในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นจึงควรจับช่วยเอาไว้การยอมทนทุกข์ในชาตินี้เพื่อความสุขในชาติหน้านั้นเป็นความเข่าวอย่างยิ่งเพราะไม่มีคนฉลาดคนใด ที่จะยอมทิ้งค้าเปลือกเพราเห็นว่ามันมีเปลือกหรือว่าทิ้งปลาเพราเห็นมันมีตั้งเป็นต้นนะครับความสุขและความทุกข์ย่อมสาคลุกคล้ากันไปสุขด้วยส่วนเดียวนั้นไม่มีทางที่จะหวังได้จะหวังสุขด้วยส่วนเดียวนั้นไม่มีในโลกนี้ในชีวิตนี้ จารวาวักยังให้คำคมไว้ด้วยว่านกพิราบในวันนี้ดีกว่านกอยู่ในวันพรุ่งนี้คือว่าให้สวงงาความสุขเสียในวันนี้ในชาตินี้เท่าที่สามารถจะหาได้อุดมคติของชีวิตก็คือความสุขความพอใจอว่าข้างหน้าหาเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่พอมาถึงปัญหาว่าควรจะสวงงาความสุขอย่างไรควรจะสวงาความสุขอย่างไ ร, รจเจราวากก็ยอมรับเหมือนกันว่าการประกอบกรรมดีเป็นทางนำไปสู่ความสุขเจาราวากยังยอมรับสินทรร ยังยอมรับศีลธรรมทั่วไปหรือศีลธรรมสากลของโลกอยู่แต่ตรงที่ว่าการประกอบกรรมดีเป็นทางไปสู่ความสุขที่นี่ถ้าทางฝ่ายพระพุทธศาสนามีทศัศนะที่ไม่ลงรอยกับจาราว่าหลายประการ เช่นพระพุทธศาสนาให้ถือธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม้จะต้องประสบทุกข์เพาการประพฤติ ธ, ธรรมก็ ข, ขอให้ยอมให้ยอมสละทุกอย่างเพื่อธรรมดังพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่ว่าท่านังเะเอังครารัสะเหตุเป็นต้นนะครับ จึงแปลว่าบุคคลเพิ่งยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเพิงยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็เมื่อระลึกถึงธรรมคือความถูกต้องเพิ่งยอมสละทั้งอวัยวะทรัพย์ในชีวิตเพืสละได้ทุกอย่างเพื่อรักษาธรรมเพื่อรักษาธรรมเพื่อรักษาความถูกต้อง ที่นี่เมื่อให้ยอมสละทุกอย่างทาแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมไว้แล้วก็ไม่ต้องกล่าวถึงความสุขความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆที่จะไม่ควรสละหรือสละไม่ได้อย่าระวักไม่เชื่อโลกหน้าและที่เสษเรื่องการทำบุญอุทิให้ผู้ตาย แต่พุทธศาสนายอมรับว่าโลกหน้ามีอยู่จริงาการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายมีผลจริงในโลกสวรรค์มีจริงแต่เราว่ากเน้นหนักเรื่องให้สวยงาความสุขความเพลิดเพลินให้แก่ตนแต่พุทธศาสนาเห็นว่าการเกระทาเช่นนั้นเป็นความประมาทมัวเมาเกินไป กาะระว่าให้หาความสุขในวันนี้ในชาตินี้แต่พุทธศาสนาเห็นวา่าชีวิตในชาตินี้น้อยเกินไปเหมือนสาลาพักร้อนชั่วคราวชีวิตอันยาวนานแท้จริงนั้นอยู่ในโลกหน้าคือในโลกหรือสวรรค์ยึ่งควรยอมสละความสุขเล็กน้อยในระยะสั้น เพื่อความสุขอันไพ่บูญยาวนานในโลกนะ่ะเหมือนยอมเสียอัชนะดินเพื่อให้ได้อัชนะทองคาอาจารว่าเห็นว่าวิญญาณหรือจิตเป็นผลผลิตของร่างกายแต่ผู้ศาันาเห็นว่าหากายเป็นผลมาจากวิญญาณ คือวิญญาณเป็นผู้สร้างร่างกายตามหลักของปัจจยยการที่ว่าวิญญาณปัจจยานามรูปังนามารูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจิตและกายเป็นคนละอยา่างแต่อาศัยกันพุทธศาสนาทั้งเทรวาตและมหายานค่อนข้างไปในทางจิตนิยก เห็นว่าจิตมีความสำคัญกว่ากายามทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้าสำคัญที่จิตตรงเดนข้ามกับจาราวากทีเดียวแล้จาราวากเห็นว่าวิญญาณหรือจิตเป็นผลผิดของร่างกายคล้ายๆเราเอามือสองข้างมาตบ ก, กันเอามือสองข้างมาตบ ก, กันแล้วเกิดเสียงขึ้นก็อาศัสามือสองข้างเสียงก็ดังขึ้น หรือว่าเอาไม้ไปเคาะระคังเสียงระคังก็เกิดขึ้นเพราะไม้กับระคังไปกระทบกันหรือว่าในปูนก็ไม่มีสีแดงในหมากก็ไม่มีสีแดงในพลูก็ไม่มีสีแดงเมื่อเอาทั้งสามอย่างมาเชื่ยวรวมกันจะเป็นปฏิกิริยาทําให้เกิดสีแดงขึ้นจิตก็เหมือนกัน จิตโดยตัวมันเองแล้วไม่มีแต่ว่าเพราะว่าร่างกายมีปฏิกิยาต่อกันทุกส่วนแล้วก็เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นที่เรียกว่าวิญญาณหรือจิตอันนี้เป็นทัศนาที่ต่างกันระหว่างจารว่ากับพุทธศาสนาพุทธศาสนาจาามนิยที่กล่าวม า, าที่พระพุทธเจ้าจะั ภิกษุทั้งหลายตาลบเรื่องจินจะมานวิกาที่ว่าบุคคลผู้ไม่เชื่อโลกหน้าไม่เชื่อโลกหน้าล่วงทมอันเอกเสียจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีเพราะบุคคลไม่เชื่อโลกหน้าทำบาปได้ง่ายกว่าผู้เชื่อเพราะเห็นว่าถ้าเอาตัวรอดได้ในโลกนี้ก็เป็นอันปลอดภัยแต่คนเชื่อโลกหน้า แม้จะทําชั่วในที่หลับเขาเกรงภัยในโลกหน้าจึงไม่กล้าทําถ้าทําก็ทํายังหวัดวันตอผลในโลกหน้าเมื่อทําความดีก็มีความมั่นคงมีความมั่นคงกว่าคนไม่เชื่อโลกหน้าเพราะมีความหวังว่าถาทำนั้นอย่างไม่ให้ผลในโลกนี้ก็จะให้ผลในโลกหน้า ดยเหตุนี้ล่ละครับพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าคนไม่มีสัจจะมักพูดเท็จไม่เชื่อพระลกูกจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีอันนี้เป็นข้อความอธิบายประกอบพระพุทธภาษิตตามที่กล่าวมาในเรื่องอินจมานวิกาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งเอาชนะด้วยความสงบ แล้วก็เป็นชัยชนะที่ยั่งยืนคราวนี้ก็จะขอเลื่อนต่อมานะครับถึงพุทธชัยยมงคลข้อต่อไปข้อที่หกได้กล่าวถึงเรื่องสัจจกะนิครนผู้หญิงทนงในความรู้ของตนเที่ยวตาโตวาทีกับสัสดาเจ้ารัตติมากหลาย ใครๆก็เกรงกลัวอา้จการนิคนคุยอวดเสมอว่าหากตนโตกับเสาหินเขาก็จังวันไวเขาได้สำคัญตนว่ามีความรู้มากจนต้องเอาปลอกเหล็กรับหน้าทอ้องเข้าใจว่าความรู้อยู่ในพุงแล้วความรู้อยู่ในท้องคราวหนึ่งได้มาโต้กับ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงเอาชนะด้วยพระปัญญาอันรุ่งเรืองเหมือนกระทีปอันนี้ท่านก็ผูกเป็นคาถาเอาไว้สำหรับสวดว่าสัจจังวิหายามะติสัจะัตวาทะเกตุงว่าทาปิโรปิตามนังว่าทาปิโรปิตามนังอธิอันทัภูตังปัญญาปะทีปรจชาริโตสิ ต, ตวามุนิมภู อันเตชะสาภาวตทุเตชยมังฆลานิอันนี้ก็สำหรับเอาไว้สวดตามที่ต้องการ น, น, นะครับใครต้องการจะสวด เ, เรื่องนี้ก็สวดตามนี้ท่านผูกเอาไว้่าพระพุทธเจ้าทรงชนะพระุทธเจ้าทรงชนะสัจจการนิครสัจจการนิครนภูธิละทิ้งสามสัต ปัจใจและก็ยกย่องถ้อยคําของตนให้สูงจนว่ายกธงด้วยแทงพระพุทธเจ้านั้นขอใจ้มงคลจงมีแก่ท่านก็มีเรื่องเลาไว้ในพระไตรปิฎกจุลสัจจกสูตรนะครับจุลสัจจกะสูตรพระไตรปิฎกเล่มสิบสองว่าคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณ ก, กูตาคารสซาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลี คราวนั้นมีคนคนหนึ่งชื่อสัจจกะอาศัยอยู่ในเมืองเวสาลีเขาเป็นชาวเมืองเวสาลีอะครับเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประชาชนว่าเป็นผู้มีความรู้ดีจกตัวเองว่าเป็นมักสัจกะในเมืองกาลีนั่นเองว่าเขาไม่เห็นสมัย ร, รุตตามใดแม่ผู้ที่ ปฏิญาณตนว่าเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะถ้าคิดจะโตวาฏทะกับตนแล้วก็ต้องฝันไหวประมาเหื่อตกยาว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่เสาก็ต้องสั่นคร่อนวันไหวถ้าคิดจะโตวาฏทะกับตนที่จริงตัดจการนิคนทั้งตระกูลทั้งตระกูลของเขาครับเขาเป็นนักโตวาทีมาทั้งนั้นนะครับ ทงางตระกูลเลยตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องของเข้ามาเขาเป็นน้องคนสุดทองตามมาจะกระฉาที่เล่าออกไปก็ค่อนข้างยาวนะครับก็ขอปรับไม่ไม่นํามาเล่าไว้ฟังในที่นี้ที่นี้ก็เช้าวันหนึ่งพระสิชิเทระก็เป็นรูปหนึ่งในจํานวนปัญจวัคคีเป็นองค์สุดท้ายนะครับในจํานวนปัญจวัคคี ขอเข้าไปบินทบาตในเมืองเวสาลีัจการนิคนออกมาเดินเล่นพบพระสัจิจึงเข้าไปหาและถามท่านว่าพระคุณเจ้าอัจจิท่านเป็นสาวกของพระสมณะโคดมข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระสมณโคดมสอนสาวกอย่างไรแนะนำสาวกอย่างไรัจการนิคนก็พูดต่อไปว่า ท่านอัศสชิท่านอัดฟังมาผิดกระมังถ้าพระสมณโคตดมรัดสอนเช่นนี้ริงข้าพเจ้าจะช่วยสอนพระสมณโคตดมให้มีความเห็นสมัยให้มีความคิดที่ถูกต้องดีกว่านี้สัจการนิคนเข้าไปยังลิชวีสภาซึ่งพวกเจ้าลิชวีกำลังประชุมกันอยู่ เละาเรื่องที่สนทนากับพระเสด็ให้เจ้าริชวีฟังและว่าจะไปโตวาทะกับพระสมณโคดมจะหมุนพระสมณโคดมเสียให้เหมือนหมุนหม้อเปล่าขอเจ้าฤิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันเถิดเจ้าริชวีได้ตามสัจจการนิครดเข้าไปในป่ามหาวัน ถามพวกภิกษุว่าพระศัสดาประทับอยู่ที่ใดพวกภิกษุตอบว่าประทับพกักกลางวันอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งขจจการนิครนเข้าไปหาแล้วทูลถ่ถาว่าทรงสั่งสอนสาวกอย่างไรพระศัสดาก็จัดตอบอย่างเดียวกับที่พระเศจษฐีตอบแล้วขจจการนิครนจรึงฟ้า สักโคดมต้นไม้และพืชพรรนทั้งหลายจะเจริญงอกงามต้องอาศัยพื้นดินการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มนุษย์ธทมก็ต้องอาศัยพื้นดินชั้นใดบุคคลอาศัยรูปเป็นตัวตนอาศัยรูปที่เป็นตัวตนแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารลิ ญ, ญาณ เป็นตัวตนจึงมีบุญจึงมีบุญและมีบาปได้ถ้ารูปเป็นตน้นไม่เป็นตัวตนแล้วบุญบาปจะมีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็จัดถามจัดถามย้อนเป็นแบบปฏิพุทชาว่าอาคิเวสนาท่านยืนจันหรือว่ารูปเป็นตัวตนของเราขอให้ รัด ก, การในคนยืนยันขจัด ก, การิคนก็ตอบว่าข้าเพาเจ้าขอยืนยันอย่างนั้นพระโคดมประชาชนทั้งหลายก็ยืนยันเช่นนี้เหมือนกันพระภูทธมีพระพักตเจ้าตรัสว่าคนอื่นท่างเขาเถิดขอเพียงแต่ท่านยืนยันคําของท่านอย่างนั้นก็แล้วกันท่านสามารถยืนยันอย่างนั้นได้อาถิเวศนะ เสรีสัจการนิคนก็ทูลว่าข้าพเจ้าขอยืนยันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเราขอถามท่านสักคนหนึ่งคือกษัตริย์ที่ได้รับมุรธาภิเศกแล้วเช่นพระเจ้าประเสณาธิโกศลพระเจ้าอาชาติศัตรูท้าคนที่ควรค่าในประเทศคนที่ควรในระเทศได้ไม่ใช่หรือสัจจการนิคนทูลรับว่า เป็นอย่างนั้นพระโคดมพระผู้มีพร ะ, พระภาคเจ้าตรัดว่าก็ท่านบอกว่ารูปเป็นตนเป็นตัวตนของเราท่านมีอำนาจเหนือรูปเป็นตนนั้นหรือท่านจัดธนาได้หรือไม่ว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าเป็นอย่างนี้เลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามอย่างนี้ถึงสองครั้ง ขจัการนิครก็นิ่งพึ่งอยู่จึงตัดเตือนว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลานิ่งแต่เป็นเวลาที่จะต้องพูดในที่สุดขจัดการนิครก็ถูดรับว่าไม่อาจบังคับลูกเป็นต้นได้เพราะผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเรียบเหมือนคนถือขวานเข้าไปในป่าโดยต้องการแกนไม้พบต้นกล้วย จึงตัดที่ขนแล้วตัดใบออกเขาไม่พบแม่แต่กับพี่จะพบแก่นได้อย่างไรวาจาของท่านหาแก่นสารอะไรไม่ได้ขอจักท้ายลายเสียงข้าวก็ว่างเปล่าแพ้ไปเองที่ท่านเคยพูดในเมืองเวสาล์ลีไว้อย่างไรจงพิสูจน์คำพูดของท่านเถิดเหนื่อของท่านหยดหลงจากหน้าผากแล้วแต่ของเราไม่มีเลย ราจการนิคนนิ่งอึงเกลข่อนคอตกหมดปฏิพันธ์ในที่สุดก็กราบขอโทษพระภูมิพระพากเจ้าต่อจากนั้นได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าด้วยเหตุเพียงเท่าใจสาวกของพระสมณโคดมชีว่าได้ทำตามคำสั่งสอนทำถูกต้องตามโอวาทของพระสมณโคดมทํามความสงสัยเสียได้ ถึงความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนแห่งพระศัสดาพระศัสดาตรัสตอบว่าสาวกของเราจอมพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังญาและวิญชาณว่าไม่ใช่ตัว ต, ตนของเราเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าได้ทําตามคําสอนของเราด้วยเหตุเพียงเท่าใจปิกษุรชื่อว่าเป็นอาสหาัน ก็ผู้มีพระภาคตรัสอกว่าสาวกของเราพิจารณาเห็นเบญจกัรตามเป็นจริงคือไม่ใช่ตัวตนของเราหลุดพ้นแล้วเพราะไม่ยึดมั่นถือมัน่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละชื่อว่าเป็นอรหรันตสิ้นอาสวะแล้วประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยมสามประการคือความเห็นอันยอดเยี่ยมเรียกว่าทัศนานุตริยา การปฏิบัติอันยอดเยี่ยมเรียกว่าปฏิปทานุตริยะความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมเรียกว่าวิมุตตานุตริยะชัจกาลนิคนทูลรับสารภาพไรสันเซสว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มินิสสัยคอยกาจัดขุนของผู้อื่นขนองวาจาคิดว่าจะลุกรานพระสมณโคดมโดยถ้อยคำของตน พระสมณโคดมพุ้เจริญบุคคลเจอช้างสับมันก็ดีเจอกองไฟที่ลุกโพร่งก็ดีเจออสศรพิษก็ดียังพอเอาตัวรอดได้บ้างแต่มาเจอพระสมณโคดมเข้าแล้วไม่มีทางรอดไปได้เลยคือต้องยอมแพ้สัจการนิคนารัตนาพระสัสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยในวันรุ่ขึ้น พระศัสดาทรงรับนิมนต์โดยจุษนีดุษนีนี่คือโดยอาการนิ่งนะครับวันรุ่งขึ้นพระศัสดาพร้อมด้วยภิกษุงสงฆ์เสด็จไปสเสวยที่อารามของสัจจการนิคนเมื่อสเสวยเสร็จแล้วสัจจการนิคนทูลว่าขอผลบุญในฐานนี้จงเป็นความสุขแก่ผู้ให้เถิดตรงนี้ท่านผู้ฟังโปรดฟังกําหนดให้ดีนะครับ ราการนี้คนทูลว่าขอผลบุญในฐานนี้จงเป็นความสุขแก่ผู้ให้เถิดพระสัสดาตรัสว่าผลบุญในฐานที่ให้แก่ผู้มีราคะโทสะโมหะเช่นท่านจงมีแก่ทายกส่วนผลบุญที่ให้ในท่านส่วนผลบุญในฐานที่ให้แก่ผู้ปฏิจจาราคะโทสะโมหะเช่นเรา ขอจงมีแก่ท่านอันนี้ก็จัดจักรนิคนนี่เป็นนักบวชรัตที่หนึ่งนะครับนักบวชในรัที่นิคนในสมัยพระพุทธเจ้าก็ามีเจ้าลัที่หลายแบบงานนี้เป็นรัตที่หนึ่งทีนี้เมื่ออารัทธนาพระพุทธเจ้าไปสเสวยที่อาลาบของตนก็คงบอกลูกศิษย์หรือผู้ที่เลื่อมใสให้มานไปไประบาย ประมาณไปเท่าไหร่ทีนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านก็จัดบอกว่าผลบุญในทานที่ให้แก่ผู้มีราคะโทสะโมหะ เ, เช่นท่านก็จงมีแก่ทายกให้มีแก่ทายกคือว่าบุญใดที่เกิดจากทานที่ให้แก่สัจจการิกนกับพักขวกก็ให้มีแก่ทายกแต่ทีนี้ผลบุญที่ อ, อให้แก่ผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะ เป็นพระภูมิพระภาคจงเป็นของสัจจการิชนตรงนี้ก็คมดีนะครับนี่ก็เล่าถึงประวัติที่พระพุทธเจ้าทรงได้ชัยชนะสัจจการิชนด้วยพระปัญญาด้วยพระปัญญาที่รุ่งเรืองครงนี้ก็ยังมีข้อความที่เกี่ยวกับสัจจการิชนอีกตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งมีเป็น ข้อความในมหาสัจจคสุนะครับเข้าใจว่าข้อความตอนนี้เป็นเรื่องที่หลังจากที่สัจจการิร น, นได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วคือยอมแพ้พระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็วันหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ที่เดิมนะครับที่ป่ามหาวันเมืองเวสาลีตอนเช้าเสร็จออกไปบินถวายมีพระนานตามสเสด็จสัจจกราริชนออกเดินล่นในเวลาเช้า เข้าไปในปา마วันพระโนเนนเขาเดินมาเด็กไก่จึงขอให้พระมีพระภาคเพื่ออนุเคราะห์เขาในการสนทนาคราวนี้สัจจการนิครนกล่าวว่าสมณพราหมณ์บางพวกอบรมกายอย่างเดียวไม่ได้อบรมจิตบางพวกอบรมจิตอย่างเดียวไม่ได้อบรมกายพระศัสดาตรัสถามว่าที่ว่าอบรมกายนั้นสัจการนิคนนหมายอย่างไรหมายความอย่างไร ที่ว่าอบรมจิตนั้นหมายความอย่างไรสจายการนิททนทนตอบว่าอบรมกายหมายถึงการทรมานกายด้วยวิธีต่างๆที่นับทรสมัยนั้นนิยมทากันอยู่ส่วนการอบรมจิตเขาไม่เข้าใจความหมายเขาเคยทราบอาว่าสมณพราหมที่อบรมกายอย่างเดียวไม่ได้อบรมจิตนั้นเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นในกายก็เป็นโรค ขาแข่งเอ่อเข้าใจว่าเป็นอัมพาตเป็นโรคขาแข่งบ้างห้าทายแตกบ้างห้าทายแตกนี่คงจะหมายถึงหัวใจวายหรือว่าเส้นโลหิตในสมองแตกทาให้เป็นอัมพาตด้วยแล้วก็เลือดอุ่นพุ่งออกมาจากปากบ้างพวกเขามีจิตฟุ้งซ่านเป็นบ้าไปบ้างจิตของเขาอยู่ในอำนาจกายคือว่า ากายมีอำนาจเหนือจิตทางนี้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้อบอรมจิตสมณพราหมณ์บางพวกมันอบอรมจิตแต่ไม่ได้อบอรมกายถ้าทุกขเวทนากระทบจิตย่อมจะเกิดโรคอย่างเดียวกันทางนี้เพราะกายขอหมุนไปทางจิตพระพุทธองค์ทรงแสดงกายภาวนาแลยผู้ที่ได้อบรมกายแล้วอบรมจิตแล้วดูกันที่ไหน ก็ดูกันที่เมื่อสุขเวทนาหรือทุกเวทนาทางกายหรือทางจิตเกิดขึ้นเวทนานั้นๆสามารถครอบงำจิตเขาได้หรือไม่ถ้าครอบงาจิตได้ทำให้เขาต้องเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันต่างๆแสดงว่าเขายัางไม่ได้อบรมกายยังไม่ได้อบรมจิตด้ดีแต่ถ้าครอบงามไม่ได้เขาไม่เศร้าโศกไม่เสียใจ ไม่พ่ไรรำพันต่างๆแสดงว่าเขาได้อบรมกายและอบรมจิต ด, ดีแล้วสัจการนี้คนทูลว่าข้าพเจ้าขอเลื่อมใสในพระสมณโคดมเพราะว่าพระองค์ทรงอบรมกายและอบรมจิต ด, ดีแล้ว